เ น, น้็อตก็ถามตรงประเด็นนะครับ <c oughs> ซึ่งในเรื่องของการปฏิบัติเนี่ยปัญญาคืออะไรในเรื่องของปัญญาปัญญาก็คือตัวที่มันอตัวที่แต่ตัวปัญญายที่มันจะเกิดได้มันต้องมีการปฏิบัติก่อนนะครับต้องมีความรู้สึกตัวเขาเรียกว่ามีสติสัมปชัญญะนะมีความรู้สึกตัวทั่วพร้อมตัวปัญญานี่ก็ มันจะ ท, า, ทามีสตินะครับเราต้องมีสติสะก่อนสติที่เขาเรียกว่าสติที่เป็นเป็นเองนะครับทังถึงทจะเกิดปัญญาต้องมีสติเฮนอตเวลาเขียนหนังสือเนี่ยใช้อะไรเขียนบ้างใช้มือเขียนหรือใช้อะไรเขียนใช้ลูกคือมือเขียนใช่ไหมใช้นามไหม นามใช่ไหมนามได้ใช่ไหมใช่ไหมมือไปรูปใช่ไหมแล้วเวลาเราคิดออกมานี่เป็นอะไรคิดที่เขียนคำถามออกมานี่เป็นอะไรเป็นนา ม, มารูปอ่านา ม, มารูปกับนามเฉยๆต่างกันยังไง รูปที่เข้าไปในานามตรงดีนะรูปรูปที่เข้าไปในานามอ่าเ อ, อนาน า, นามรูปอคือนามรูปนามนามรูปนามล้วนๆแล้วก็รูปล้วนๆ น, นะมันมีสีอย่างนะรูปล้วนๆกับนามล้วนๆหมายถึงว่า กายล้วนๆเม่อมีนามนะนามล้วนๆคือมีแต่รู้แต่ว่าเม่เกี่ยวข้องใด้กักายทีนี้รูปนามมายควมีความรู้สึกตัวเย็นแล้วเอาแข็งตึงเนี่ยรูปนามนามรูปก็มีแต่ความคิดนะเพราะฉะนั้นตัวนามรูปเป็นความคิดตัวรู้ล้วนๆเป็นนามพอตัวรู้เข้าไปรู้ ว่าอันนี้เป็นนามรูปคือความคิดปัญญาก็เกิดละแล้วก็ขณะที่เรารู้เย็นร้อนอ่อนแข็งเค็งตึงแล้วเราเข้าไปรู้โดยไม่ไม่เป็นตัวรู้ไม่เป็นเย็นร้อนอ่อนแข็งแต่รู้ว่านั่นคือเย็นอ่อนแข็งไม่ใช่ตัวเราอันนี้ปัญญาก็เกิดละท่านปัญญาคืออะไรปัญญาคือตัวนา ม, ญญานามที่เข้าไปรูป้ทั้งรูปนามและนามรูปที่จึงเกิดเป็นปัญญา แต่ถ้ารูปนามมีอยู่นามรูปมีอยู่แต่ว่าไม่เข้าไปรู้แต่เข้าไปเป็นปัญญาเกิดไหมไม่เกิดเกิดอะไรเกิดโมหะนะเข้าใจนะข้อต่อไปคำว่าสติปริฐานสี่กายเวทนาเดียมช่วยอธิบายเข้าใจแต่ละอย่างมันคืออะไร อธิบายให้เข้าใจง่ายๆียใครจะอธิบายได้บ้างอธิบายว่าแต่ละอย่างในในกายเวทนานิจิตในธรรมคืออะไรใช่ไหมครับหมดกายตามตามหนังสือธรรมวัดน์นี่นะครับตามหนังสือธรรมวัฒน์เนี่ยหมดกายมันก็จะเริ่มตั้งแต่อานาปานาสติบั พ, พะก็คือกายลมนะครับ อันที่สองก็คืออันนี้อันนี้ผมผมถ้าถ้าพูดจริงๆก็คือตัวตัวกายจริงๆหรือหรือหรือตัวรูปจริงๆเนี่ยมันไม่สามารถที่จะรับรับรู้รับรู้อะไรได้ต้องมีต้องมีตัวนามซึ่งจะทําให้กายนั้นสามารถหรือรูปนั้นสามารถที่จะรับรู้ได้ ตามตามหลักสติปัฏฐานสก็คือหมายความว่าเราปฏิบัติในฐานของกายตามตามแต่ละบุพะเนี่ยจุดประสงค์ก็เพื่อให้ระลึกรู้ว่ามันมีมันมีกายอยู่เป็นที่ตั้งของฐานการปฏิบัติให้มีความระลึกรู้อยู่ตลอดก็คือคือการเจริญสติอยู่ในฐานกายะครับส่วนฐานเวทนาที่หลวงพ่อบอก ตัวเวทนาเป็นตัวเชื่อมระหว่างฐานกายกับฐานจิตเวทนาก็คือสภาพของกายสภาพของกายเออเอ่ อ, อ, อขออนุญาต เ, เรียนว่าสภาพของกายตามตามจริงๆก็คืออ่าสภาพปรมัตทของกายก็คือสภาวะที่เย็นร้อนอ่อนแข็งเข่งตึงไหวนิ่งซึ่งสามารถที่จะรับรู้ได้โดยตัวนามหรือสติว่า กายเวลามันผัด ส, สะสมมุติเวลามันผัด ส, สะความร้อนผัด ส, สะกระทบกับผิวหนังเราก็รู้ว่ามีความร้อนแต่การรู้อันนี้คือคือรู้ในแบบที่ว่ารู้ซื่อๆแบบที่หลวงพ่อเทียนรู้ทราบานะครับที่หลวงพ่อเทียนบอกก็คือว่ารู้ซื่อๆว่ามันร้อนแต่ไม่ใช่ไม่ใช่รู้โดยความคิดหรือนามรูปนะครับ ครับผมผมก็ใช้วิธีปฏิบัติแบบนี้นะครับอย่างสมมุติว่าเนเ น, เนถามว่าการออกกาลังกายเนี่ยจะทราบได้ยังไงว่ า, ว, าว่ามีมีกายหรือครับอ่า เ, เวทนาตามตัวนี้นะครับเวทนาเป็นตัวเชื่อมระหว่างตัวกายกับตัวจิตนะครับเวทนาก็คืออ่าเวทนาก็คือตัวอ่าการอ่าความสุขความทุกข์หรือเฉย ชอบไม่ชอบอะไรพวกนี้ครับเป็นตัวตัวเวทนานะครับส่วนตัวจิตตัวจิตก็คือสภาพตัวจิตเองก็คือสภาพของการรับรู้จิตมีหน้าที่รับรู้อารมณ์ตัวจิตเองเนี่ยไม่ไม่ไม่อ่า ม, มีแค่สภาพการที่รับรู้อารมณ์ตามที่เป็นจริงอารมณ์ก็คือตัวตาเห็นเห็นสีเอ่อหรือเห็นรูปนะครับจมูกได้กลิ่น ลิ้มได้รถอะไรพวกนี้จิตจะจ ะ, จะรับรู้นะครับแล้วก็สภาวะอย่างอื่นๆคือพวกเจตสิก ค, คืออารมณ์ทั้งหลายที่เกิดขึ้นดับไปพร้อมกับตัวจิตนะครับส่วนตัวธรรมตัวธรรมที่ง่ายๆที่สุดสำหรับผู้ปฏิบัติก็คือนิวนรณ์ห้าความง่วงความฟุ้งซ่านความหดหู่ความรำคาญความเบือ่ออะไรพวกนี้นะครับเป็นตัวนิวรคือ ตัวเจตสิก ท, ที่เกิดขึ้นระดับพร้อมตัวจิตนะครับตอนมารการที่กายง่อ ข, อ, ของของยายจีนี่ทำอย่างนี้ยายจี จ, จะศึกษากายกายก็คือดูดูดูอาการยืนเดินนั่งนอนอิริยาบถใหญ่อิริยาบถย่อยนะะดูนะก็ศึกษากายแล้วก็ เราจะเรารู้ว่ามีกายเพราะมันมีเวทนาก็คือเย็นร้อนอ่อนอ่อนแข็งเข่งตึงอ่าก็เราก็มาดูอันนี้คือศึกษากายแล้วก็เวทนานะวเวทนาทางกายเสร็จแล้วก็อ่าเย็นร้อนมันมันเย็นร้อนอ่อนแข็งเข่งตึงยังไงมันสบายหรือไม่สบายทางกายยังไงหรือว่ามันพอทนได้ นี่ยฮนี้คือฐานกายกับฐานเวทนาและเวทนาทางกายทีนี้อพอพอเวทนาเนี่ยมันเข้าไปสู่จิตยังไงถ้าเราเราไม่ตามรู้อาการอาการสบายไม่สบายหรือพอทนได้ของกายเนี่ยเราตามรู้ไม่ทันเนี่ยมันก็เข้าไปสู่จิตเรามันก็จะกลายเป็นความพอใจความไม่พอใจ นะแล้วก็มันจะเข้าไปสัวอารมณ์ของเราคืออารมณ์ดีไม่ดีหงุดหงิดเงี้ยนคะ่ะอันนี้คือปฏิประทานสีของโยมจ้ะ